ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมคือภาพสตรีภาพบุรุษรูปใดให้เขียนต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภาพลวดลายดอกไม้ภาพลวดลายเถา ว, วัลย์ภาพลวดลายฟันมังกรภาพลวดลายดอกจอก